อันนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกับระฐานของท่านสาธารณชนทั้งหลายสืบต่อไปเมื่อกล่าวถึงกลุ่มธรรมะที่ทรงจำแนกหลักเอาไว้คือกุศลและอกุศลนั่นในส่วนที่เป็นอกุศลหรือส่วนที่เป็นบาปหรือว่ากิเลสหรือเรียกชื่ออย่างอื่นก็ตาม ล้วนแล้วแต่มีมูลรากมาจากอ ว, วิชชาคือความไม่รู้จะจุดของอวิชชานี่เองก็อให้เกิดครความโลภความโกรธความหลงความลิษยาฆ่าในด้านต่างๆซึ่งถ้าหากว่าเราตั้งคำถามเวลจิตรโกรธเพื่ได้ความจริงว่า ในความโกรธนั่นเองก็มีความหลงยู่ตอนนี้เปรอะไรเพราะว่าพื้นฐานในท้านจิตใจของคนเรามีความรักตนถนอมตนความโกรธเป็นพิษเป็นภัยตอนตรายแก่จิตใจของตนแต่ถ้าหากว่ามีปริมาณมากามันจะออกมาในรูปของการเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อน ความทุกข์ก็จะเป็นผลที่สืบเนื่องกันไปความโกรธที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะหนึ่งแต่คนก็รู้อำนาจกับความโกรธพูดอะไรทำอะไรไปตามอำนาจของความโกรธความทุกข์ซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นระยะเวลาที่นานมากปางน้อยบาก ตามความรุนแรงของความโกรธที่บังเกิดขึ้นเป็นเหตุให้บุคคลกระทำลงไปมันผลคือความทุกขานั้นก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าขัดแย้งกับความต้องการความสุขการรักตนถนอมตนต้องการให้ตนเองอยู่ดีมีสุขเพราะแนวการแสดงออกซึ่งความรู้อำนาจของกิเลสที่ปรากฏเป็นอัจฉกรรมลักษณะต่าง เป็นการละเมิดศี่หประการก็อนใดก้อนหนึ่งถึงสังเกตว่าเป็นกระบวนการที่ไหลต่อเนื่องกันมาของความลบ ก, กฎลงซึ่งถ้าากว่าปริมาณของกิเลสเหล่านั้นรุนแรงการกระทําการผู้ก็จะแรงตามไปกรรมคือสิ่งที่เราทําและผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเราก็จะกระจายตัวเองออกไปโดยลําดับ จนบางครั้งก็กลายเป็นมหายุทธสงครามซึ่งปรากฏในโลกอย่างน้อยก็สองครั้งมหายุธสมครามเหล่านั้นเมื่อเราสืบสอบไปก็จะพบว่าสาเหตุจริงๆเมื่อเกิดมาจิตจา ก, กจิตที่ประกอบด้วยความโลภ บ, บ้างความโกรธบ้างความริษยาบ้างแต่ในความโลภความโกรธความริษยานั่นเองมันก็มีอวิชชาคือความไม่รู้เหตุผลถู ในสุดตัวเองก็ต้องตายและดึงคนอื่นไม่เป็นนั้นมากเข้ามาตายร่วมกับตนดังนในทางพุทธศาสนาบางครั้งพระเจ้าก็ทรงแสดงโดยสรุปว่าโลกนี้มีความมืดทุ่มห่อเอาไว้บุคคลก็ตกอยู่ท่ามกลางของความมืดลักษณะาอาการของใครก็ตามที่ทตกอยู่ในท่ามกลางความมืด ไม่ว่าจะเดินจะหยิบจะช่วยจะทําอะไรจะขาดความเป็นตัวของตัวเองโอกาสที่ถูกต้องสมบูรณ์นั้นมีไม่ได้เลยพเพียงแด่ว่าจะผิดมากหรือผิดน้อยเท่านั้นเองจะนึมมิว่าต้องเดินไปในท่ามกลางความมืดก็เดินสายไปสายมากระทบโนนกระทบนี้จุดนั้นจุดนี้ไปเรื่อย ก็ความบตดเจ็บบอบช้ำเจะบปวดอาจจะถึงเป็นอันตรายแก่วัยวะจนถึงแก่ชีวิตก็ได้และจิตใจของบุคคลที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสกลุ่มนี้ที่พระเจ้าทรงสรุปไว้ในรูปของความฟุ้งซ่านรำคาญกับความเครือบแคลงสงสัยที่เป็นอาการของนิวร คนนี้ตางชาตชนทั้งหลายลองสังเกตว่าความคิดที่ฟุง้งซ่านเนี่ยบางทีมันก็เป็นตความสงสัยแล้วก็นําไปสู่ความฟุง้งซ่านโดยความฟุง้งซ่านเหล่านั้นก็เกิดขึ้นจากความสงสัยเช่นสมมติว่าเราได้ยินเสียงใครหรือเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราก็ไม่รู้ว่าเสียงนั้นคือเสียงใครหรือเสียงอะไร จะเกิดความสงสัยว่าเสียงคนนั้นคนนี้คนโน้นหรือเสียงสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นในจิตสุสก็คิดมากกับปรุงใจลงไปไม่ได้ความคิดก็เริ่มจะฟุ้งซ่านไปเรืเร่อยๆอาจจะลองผิดลองถูกไปจะสมมติเราเขาตั้งคําถามอะไรขึ้นมาสัอย่างว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของใครแล้วเขาก็บอกเสียงคนนั้นคนนี้คนโน้นไปว่าไปเรืเร่อย แล้วเราทําวงกลมหรือขีดเครื่อหมายถูกแต่เราก็ไม่แน่ใจเราขีดไปบางทีก็ขีดข้าวขีดไปแล้วบางทีมันต้องข้าออกนั่นคือลักษณะอาการทางจิตที่ประกอบด้วยความหลงซึ่งเป็นลักษณะของนิพจน์แม่าการสัมผัสกับสิ่งอื่นก็จะเป็นเช่นเดียวกันคือจะเกิดความไม่แน่ใจและในสุดก็จะเกิดความฟุ้งซ่าน แม้จะหยิบจะช่วยของไม่จะทำอะไรใดรก่อนในหลังก็จะพบอาการที่หยิบหยิบบงางๆ่รู้จะเอาอะไรกันแน่นั่นคืออาการของความเครีอบแกร่งสงสัยและจิตใจก็สูญเสียความสงบ ก, ก, กลายเป็นความโกรสัตนทีนี้ถ้าเป็นออมากแล้วก็อาจจะกลายเป็นความหมงุดหงิดความรำคาญความาคาดผยาบาติลักษณะของนิวรมันก็เพิ่มขึ้น ได้สุดจิตใจก็จะเต็ม ป, ประเดนิพนธ์แปรเปลี่ยนกันขึ้นปรุงแต่งจิตของบุคคลเพราะในเรื่องความเครืองแขรงสงสัยทิเจ้าทรงอุปมาเป็นทางสองแพร่งบงั่งทางเสื้อโครงบงั่งทางตุรกันดานบ้างอยู่น้ําที่เต็มดทุกคนต้มบ้างเมื่อบุคคลมองภาพที่เป็นรูปธรรมเหล่านั้น ว่าแต่เรื่องมีปัญหาทั้งนั้นทางธุรกันดารก็มีปัญหาทางสองแพร่งก็มีปัญหาไม่รู้จะไปทางไหนดีทางที่มีเสือโคร่งคือสัตว์ไร้ด้วยโจรไร้เราค อ, อ, อ, อยอยู่มันก็มีปัญหาตัวน้ําที่เต็มไปด้วยโคลนตมุมก็เป็นน้ําที่มีปัญหาเันเรื่องของวิจิการฉาจึงตอกย้าไปมาก แต่บางครั้งก็ไม่ได้ทรงแสดงเรื่องวิจิกิจฉาแต่ทรงแสดงธรรมะแนวแก้วิจิกิจฉาโไม่ต้องพูดถึงความสงสัยแต่พูดถึงศรัทธาบ้างพูดถึงปัญญาบ้างตัวปืนความคิดจะมีเหตุมีผลเป็นต้นต่างเพราะแต่ละอย่างนั้นเมื่อเขาเกิดขึ้นมาได้ก็จะาจากระจัดความเครียดแครงสงสัยลงไปได้ ปัญ บ, บางอย่างนั้นเราต้องใช้ความเชื่ออย่างเดียวคือเราใช้ปัญญาไม่ได้เลยคนนี้เพงดูตัวอย่างง่ายๆแลยใกล้ชิดชีวิตของคนแต่ละคนมากที่สุดคือคนนั้นเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเนี่ยตอนเ ร, า, ราหนุนป้านาอาทั้งหลายที่จริงเราไม่รู้ว่าถ้าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงพอตอนเราเกิดมานั้นท่านก็อยู่กอนเราแล้ว ติโรเชียวท่านเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายหลวงป้า น, น้าห่านั้นก็เพราะความเชื่อเชื่อพ่อเชื่อแม่เชื่อท่านเหล่านั้นท่านก็บอกเรามาตั้งแต่ต้นแต่จะไปสู่ทดสอบด้วยปัญญาที่จริงเราก็ท ด, ท ด, ทดสอบอะไรไม่ได้ดังนั้นในกรณีนี้จึงต้องใช้ศรัทธาเป็นหลักแต่เมื่อศรัทธาตั้งมั่นแล้วมันก็เกิดเป็นความเคารพความกตัญญูการยอมรับน้ำตือสถานะของบุคคลผู้นั้นจนแสดงกตเวทีตาธรรมออกมา มีความเคารพยังเกรงมีความเอื้อเพื่อซึ่งกันอะลกันชันญาติตั้งท่านที่จริงๆมันก็เริ่มต้นด้วยศรัทธาไม่ได้เริ่มต้นด้วยปัญญาเลยเนะี่ยแต่บางอย่างถ้าหากว่าสามารถพัฒนาปัญญาขึ้นไปได้พิสูจน์ทดสอบได้ในระดับใดระดับหนึ่งเราก็จะพูดเรื่องของปัญญาเอาไว้แต่นี่เป็นว่าอะไรเพราะว่า วิจิกานั้นจะเป็นความคิดที่กระจายออกไปกว้างมากมันโครงสร้างของอวิชชาแต่เป็นอวิชชาที่ยังอ่อนไม่ถึงกับมืดตื้อไปทีเดียวแล้วก็พอมองซ้ายมองขวาได้พอสมควรแต่ว่าตัดสินใจอะไรไม่ได้แท่นั้นเองลักษณะความคิดเหล่านี้ในพระบาลีทรงจแนกแสดงไว้ถึง8ดอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความเป็นพุทธศาสนิเิกชนถ้ามีความเครือบแคลงสงสัยในจุดนี้นราจะเป็นการศึกษาการปฏิบัติโการสะ พ, พัดผลแต่เราต้องความจะเดินโดยยุบนาสุขภละซึ่งเป็นเจตุรพิทพรที่ทุกคนต้องการก็จะเกิดขึ้นได้โดยยากตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะจิตมันไม่ยอมเดินไม่ยอมไป ตำหนองที่ยกตัวอย่างฟัง ว, ว่ามันก็เหมือนกับเราเจอทางสองแพร่งคือไม่รู้จะไปทางไหนมันก็ไปไม่ได้แบบประการนั้นคือความเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าความเครือบแรลงสงสัยในพระธรรมความเครือบแรลงสงสัยในพระสงฆ์ความเครือบแรลงสงสัยในไตรจิกขาคือศีสปาร์ิปัญญาให้ความเคลือบแรลงสงสัยในเรื่องอดีต ลักษณะความคิดเหล่านี้ความเครือบแรลงสงสัยเหล่านี้ท่านสาธาชนทั้งหลายไปสังเกตว่าบางบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นในขณะนั้นแดีวมันกระจายตัวเองออกไปจช่นสมว่าเราพบคนคนหนึ่งในใจเรารู้สึกคลับคา้ายคลัคลาเอเคยเห็นเขาที่ไหนเคยพบเขที่ไหนเคยเกี่ยวข้องอะไรกับเขาอย่างไงความเครือบแคลงสงสัยต่อคนที่เราเห็นในขณะนั้นที่จริงแล้วย้อนก็ไปสู่อดีตคือเป็นความสงสัยในเรื่องอดีต ด้านในขณะเดียวกันก็ออกมาไป็นรูปความสงสัยคนนี้เป็นใครมาจากไหนไต้องการอะไรสะแสดงว่าความสงสัยในลัก่องหนัคนแล้วต่อไปนี่เขาจะเป็นยังไงจะมาเขามาหยิบยืมมาขอาขอยืมอะไรเราก็ให้ไปนในปัจจุบันด้วยความไม่แน่ใจประสงสัยก็จะขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นจริงแล้วสิ่งที่เขาบอกนั้นจริงหรือไม่จริง นั่นก็ปลาบปลดบันได้เชื่อมไปสู่อนาคตว่าเขาจะคืนจริงหรือไม่จริงที่จริงจะคืนหรือไม่คืนนั้นเป็นเรื่องอนาคตแล้วเกิดสงสัยในบุคคลคนเดียวกันนั่นเองแสดงว่าเรามีความเครียดใครเครียดแรงสงสัยได้ทั้งสมเรื่องคือสามการในอดีตก็ได้ปัจจุบันก็ได้อนาคตก็ได้แล้วกิเลสก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ทั้งหมดก็ธรรมะมันก็เป็นเช่นเดียวกันที่จริงธรรมะก็เป็นเช่นเดียวกัน คือก็จะเกี่ยวข้องอกับการทั้งสเวลาเราลึกนึกถึงสิ่งเหล่านั้นอาจจะนึกไปเรื่องอดีตหรือปัจจุบันเรื่อง อ, า อ, า น, องนาคตกิล เ, เลสมันก็ผูกพันกับการทั้งสามธรรมะเองก็ผูกพันกับการทั้งสามเพราะนั้นเวลาความสงสัยมันก็ออกมาที่ประรุการก็สงสัยเรื่องอดีตสงสยัยในเรื่องอนาคตสงสัยทั้งอดีตทั้งอนาคต คนนี้เป็นใครต่อไปก็จะทำยังไงต่อไปก็จะไปไหนต่อไปก็จะเป็นยังไง แ, แสดงว่าปัจจุบันเราก็รู้จักเขาไม่ชัดอนาคตก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เปียงแต่สงสัยและในสุดก็มาสรุปไว้ในข้อสุดท้ายคือสงสัยในกฎของปฏิยการกฎของเหตุผลดยการมองเหตุผลนั้นจะต้องมองคล้ายๆกับกระแสน้ากระแสไฟ หรือชีวิตหรืออะไรก็ตามนะที่มันเป็นกระบวนคือมันเลื่อนไหลกันมนาะให้เราสังเกตว่าสิ่งเหล่านั้นที่จริงแล้วเป็นเรื่องปฏิกิริยาของเหตุผลที่สืบเนื่องกันมาคล้ายๆกับการสืบสายสกุลอย่างแนวเรียบเรียงตำราตำมัยโบราณเล่ประวัติศาสดาทั้งหลายประวัติวิรชนทั้งหลายในอดีต ตั้งจะเรียกคนนั้นเป็นลูกของคนนั้นเป็นหลานของคนนั้นคนนั้นแต่งงานของคนนั้นมาได้ลูกคืนนั้นคืนนั้นแล้วก็ได้ลูกคืนนั้นคืนนั้นแล้วก็เรียงกันมาเรื่อยๆอย่างในคัมภีร์ไบเบิลก็ดีพวกอันกุรานก็ดีในคัมภีร์อุนเทตเตเมนของคริสต์หรือแม้แต่ของพระเจ้าเราโดยเฉพาะท่านก็นเรียงมาตั้งแต่พระเจ้าโอกการาชขอราจะสมบัติในพระนครหนึ่งมีพระรถสี่องค์พระราชติดาหา์พระองค์ต่อมาพระเจ้าโอการาชได้พระเมศสีใหม่ ในสีใหม่ก็ประสูตรราชเจโอรสองหนึ่งโรงก็ดีใจพระราชทานพรในห้นางเลือกสิ่งต้องการต่อมาเมื่อลูกเจริญวัยขึ้นนางก็ขอราชสมบัติโรงก็ต้องให้พระราชโอรสปริจิดาผู้ใหญ่แยกย้ายกันไปสร้างเมืองใหม่ป้าติ้ก็จับคู่แต่งงานกันไปเรื่อยๆก็ยทยอยมาจากพระเจ้าชัยเสนะมีพระราชโอรสชื่อเสีานุเสี้ยนุก็มีโอรสชื่อสิทธะสิทธะก็มีรสราคุนเนี่ยก็เรียงกันมาอย่างนี้ นันคือลักษณะเป็นการแสดงให้เห็นว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นกระบวนของเหตุผลเป็นกระบวนการของปฏจกิริยาต้อมองคล้ายๆเรามองแม่น้ําที่แม่น้ําเจ้าพระยาตรงไหนตรงหนึ่งก็ตามเต็มปริ่มตะลิ่งเรารู้ได้ทันทีว่าน้ําทางเหนือนั้นเต็มแล้วน้าทางเหนือนั้นไหลอ ย, อย่างต่อนเนื่องมาไม่ถูกตัดตอนเสนในนตอนใดตอนหนึ่ง น้ำจึงปริมอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยายได้เพราะการมองกระบวนการก็เหตุผลอย่างนี้จะต้องอาศัยปัญญาหรือถ้ามองด้วยวิชาคงก็ไม่เห็นแต่ถ้ามองด้วยปัญญาแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องขึ้นไปดูทางเหนือขึ้นไปดูบนยอดเขาทางเชียงใหม่แต่เราก็รู้ว่าข้างบนมันเต็มหมดแล้วน้าจึงได้ล้นมาอยู่ข้างล่าง แต่บทีก็น้ำทะเลหนุนมาด้วยถ้าน้ำทะเลไม่หนุนถ้าน้ำทะเลแขังเนี่ยน้ำแม่น้าเจ้าอย่างก็เต็มไม่ได้อันนี้ก็คือกฎในแนวบจรยากาศคุณสังเกตว่าจะต้องใช้ปัญญาแล้วส่องไปไกลมองเห็นเป็นกระบวนการของเหตุผลที่ไหลทะยอยกันมาไม่ขาดสายลักษณะความคิดเหล่านี้เองที่ทำให้เรานับถือบัรไปชน แต่บันดยจนในอดีต ท, ที่จริงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเราไม่รู้จักท่านไนทั้งไปก็น้อยคนที่รู้จักระดับปู่ปูท่ทวดญาติทวดแต่เราก็มีปูท่ทวดญาทวดชื่ออะไรก็เป็นเรื่องของท่านที่จริงปู่ทวดญาตทวดนั่นเองก็มีพ่อแม่ของท่านก็ทยอยขึ้นไปถึงไหนก็ไม่รู้มันมีที่มาที่ไปขังเราให้วความเคารพนับถือต่อ บุรพาจาร์ตะบันไปชนดอปูญย่าตยายหญ่แต่คำว่าปูา่ ย, ย่ายาจริงไม่ได้หยุดอยู่ที่ปูญ ย, ย่าตาใผมก็มองย้อนไปสู่อดีตไกลลิบลน้นเราไม่รู้จะพูดว่ายังไงเราเรียกวันไปชนเรียกบุรพาจาร์เรียกว่าท่านทั้งหลายในอดีตและเราก็ทำบุที่กุศลส่งไปให้ท่านนึกคุณความดีของท่านบูชาความดีของท่านชื่ออะไรก็ไม่รู้ แ, แสดงให้เห็นว่าเรามองเห็นเป็นปฏจกิริยาเพราความมีของเราความเป็นของเรานั้นเกิดสืบเนื่องมาจากพ่อแม่เราพ่อแม่เราก็มาจากพ่อแม่ของท่านก็ทยอย ก, กันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณธรรมก็เกิดขึ้นความกตัญญูกตเวทีความสติึุขมันก็เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นการมองในลักษณะตัดตอนอเราจะพูดตรงใดตัวหนึ่ง เจ้าาที่เจ้าพพ่อแม่เดี๋บางทีไม่น้าที่พ่อแม่ไปเลยเรามั่งมีปัญหาในด้านคุณธรรมคือคุณธรรมมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่รู้กระบวนการของเหตุผลว่าจริงๆแล้วสายะกุลเราไม่ได้มีเจ้าพ่อพ่อแม่เราแต่มีใครต่อใครอีกมากมายที่ท่านสืบสายกันมา เพราะในปัจกิยาการทั้นสาธารณชนต่งางๆจะเห็นว่ามันก็อยู่ในกระบวนการทั้งหมดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามจะต้องเห็นเป็นกระบวนการอย่างนั้นแต่ทําไมมันเห็นไม่ได้ก็เพราะว่าคนเรานั้นมีอวิชชาคุ้มพอเอาไว้คือมันโกรธซะก่อนแล้วมันโลคซะก่อนแล้วพอเกิดความโกรธความโลคขึ้นมาหรือความหลงขึ้นมามันก็จบสิ้นกัน พวกนี้เป็นอาการของความมืดบอดในด้านการใช้เหตุผลให้เราสังเกตว่าใครก็ตามที่เวลาเขาพูดด้วยความโกรธเราต้องการพิสูจน์ทดสอบดูว่ามีเหตุมีผลหรือไม่ก็ลองอัดเทพไปดูแล้วมองฟังดูจพะพบว่าไม่มีเหตุผลทําไมมีเหตุผลเพราะอาวิชามันแรงโทสะมันแรงเหตุผลมันก็หายไปดังในเรื่องเหล่านี้ แต่และจุดเพึงอสะเกตว่าจุดบางจุดเราใช้ศรัทธาได้จุดบางจุดเราใช้ปัญญาได้จุดบางจุดเราใช้ได้ทั้งสองอย่างอย่างในกรณีความเครุยแครงสงสัยในพระพุทธเจ้าบางคนตั้งปัญหาที่ไม่น่าเชื่อไอ้ชาวพุทธเราตั้งปัญหาอย่างนี้ บางที่ท่านเหล่านั้นเป็นพระเนรพระวิษุสามเ น, นเรสได้ว่าเป็นแม่ชีหรือเป็นอุบัสิกาที่เข้าวัดบังทจำจาศีลมานานมาตั้งปัญหาถามจะน่าเอ็นดูว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่เป็นคําถามที่น่าอินดูมากเือแสดงถึงวุฒิภาวะในด้นจิตใจนั้นไม่มีทัทง้งศรัทธาไม่มีทั้งปัญญาที่จะน้อมใจเชื่อที่ใช้ปัญญาเพ่งพินิษพิจารณาถึงกระบวนการที่มันเลื่อนไหลามาจนถึงเรา การที่พระธรรมมาถึงเราพระพุทธมาถึงเราพระสงฆ์มาถึงเราไตรสิขามาถึงเราวัดวาอารามประเพรีทั้งหลายที่มาถึงเรานั้นก็มีอดีตของเข้าทั้งนั้นแล้วที่จริงอดีต ท, ที่มาของสิ่งเหล่านี้ก็คือพระพุทธเจา้าท่านที่เราเรียกว่าพระพุทธเจา้าเราสามารถวิสุทธตศสอบได้แต่ก็มีคนเป็นจำรถไม่น้อยที่สงสัยในจุดนี้ในประเด็นี้ บางทีก็อาจจะสงสัยในความเป็นปาฏิหารเป็นอภินิหารซึ่งปรากฏในพระประวัติของพระพุทธเจ้าบางตอนบางเรื่องบางกรณีเนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์นั้นมองแคบการตัดสินปัญหาทั้งหลายมักจะใช้ตนเป็นฐานในการตัดสิน แม้เราจะอยู่ในโลกกว้างตาเรามองไปได้ไกลหูได้ยินได้ไกลก็ตามแต่เอาก็จริงแล้วมนุษย์จะใช้ตัวเองเป็นฐานในการตัดสินคือแทนที่จะใช้อารมณ์ใช้เหตุผลหรือมีมาตรการในการวิจัยตัดสินต่งตางๆเราก็มักจะใช้ตัวเองเป็นฐานในการตัดสินโดยลืมตัวไปว่าเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเรือเจ้าก็ไม่ใช่เรา สิงที่พระเจ้าเป็นนั้นไม่จําเป็นแต่เราต้องเป็นด้วยถ้าเราเป็นอย่างที่พระองค์เป็นเราก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่คนจะไม่มองในมุมนี้เพมันจะเกิดความเครือบแคลงสงสัยในปาฏิหาริย์ต่างๆของพระพุทธเจ้าได้บางครั้งบางคราวพบเรื่องราวในฉาดกทั้งหลายพร่เจะปฏิเสธไปเลยเป็นไปไม่ได้ที่สัตว์พูดได้นกพูดได้ราชสีพูดได้ช่างพูดได้ แต่จริงๆเขาก็ลืมไปนะว่านิทานคริมก็ดีนิทานอิสุก็ดีนิทานอะไรของผรั่งต่างๆเป็นอันมากวิสัตว์เยอะแะไปหมดเลยพูดได้แต่เราก็มาเล่าได้เป็นตุเป็นตาก็ยิงจอะขังด้วนเรื่องหนูก็อาจจะสีเรื่องอะไรต่ออะไรจริงมันก็พูดกันแล้วเรามาพูดกันเป็นตุเป็นตาได้เพราะอะไรเพราะนั้นของฝรั่งเพราะของอุตตร์เยาวกลับไม่เชื่อ นั้นแสดงให้เห็นถึงศรัทธาความเชื่อไม่มีบ้างพอกลายเป็นความเครียบแข็งสงสัยแทนที่จะมองว่าศาสตร์เหล่านั้นพูดกันอย่างไงอธิบายเรื่องเหล่านั้นอย่างไงก็ปฏิเสธไปแล้วว่าสาตว์พูดไม่ได้ก็เลยไมครับของเหานี้มันใกล้ใกลกับของที่เขาบอกภาคคีร้วขอทอง คือเราไม่ทันดูว่าข้างในมันมีอะไรแต่เห็นภาคีร็้วก็เลยปฏิเสธไปได้จุดนี้ก็คือจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดการชึงกงันในการน้อมใจเชื่อประคุณของพุทธเจ้บาบังทีก็เป็นเรื่องของพระประวัติความเป็นมาเป็นไปของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เชื่อในเรื่องเนั้น ในขณะเดียวกันเราก็เชื่อพวกคนโบราณพวกนักปราชญ์กรีกร่วมสมัยพระพุทธเจ้าบางคนก็ก่อนพระพุทธเจ้าเราเชื่อเรื่องคริโอปัตราว่เาเชื่อโรองโซเพติสตัว เ, เชื่อลุองทาเลสเรเชื่อเรื่องอะเล็กซมานเดอร์อะไรต่งตางๆซึ่งเป็นคนบางคนก็ก่อนพระพุทธเจ้าบางคนก็ร่วมสมัยพระพุทธเจ้าบางคนก็หลังนิดหน่อยเราเชื่อเรื่องเล่าจือ่อแม่งจือ่อคงชื่อขงจิต แต่เรากลับไม่เชื่อปร ะ, ประวัติของพระพทุทธเจ้าและความเป็นมาของพระพทุทธเจ้าเหล่านี้เป็นภูเขาที่กั้นขวางพุทธธรรมไว้แต่บุคคลไม่สามารถที่จะสัมผัสพุทธธรรมเพราะถ้าหากว่าปฏิเสธที่พระเจ้าไม่แน่ใจในพระเจ้าก็จบสิน้นกันทุกอย่างมันเรื่องมันจากพระพุทธเจ้าทั้งหมดก็ตํางนองใกล้ๆกับหมอเขาส่งยาให้ เราไม่เชื่อเราไม่ทเพราะเราปฏิเสธที่หมอหรือบางทีไม่ใช่หมอให้แต่พยาบาลให้หรือคนจ่ายยาให้มันก็สืบเนื่องจากคําสั่งหมอแต่พอดีเราไม่เชื่อหมอแล้วพอหมอนั้นสั่งเราก็ไม่ยอมบางทีอาจจะฝากมาให้แต่ถามใครฝากมาบอกหมอกดนั้นคนนี้เราก็ไม่เชื่อหมอแล้วก็จบป่วยาที่เขาฝากมาก็มีเราไม่ยอมรับประทานเข้าไปเพราะนั้นปัญหาเรื่องเหล่านี้ก็มาถึงจุดหนึ่งก็คือเรื่องพระคุณ ซึ่งอย่างที่เราพูดกันว่าพุทธเจ้าของเรานั้นแม้ไปนิพพานานานแล้วยังเหลืออยู่เฉพาะพระคุณในส่วนองค์ของพระพุทธเจ้าก็นิพพานแล้วแต่ส่วนพระคุณของพระองค์ที่ปรากฏในลักษณะต่างๆที่นํามายกย่องสรรเสริญกันบางคนก็สงสัยไปทั้งหมดบางคนก็สงสัยในบางข้อของเรื่องเพราะแต่ละจุดไม่ว่าจะสงสัยในจุดใดก็ต่าง นอนแต่กอให้เกิดอาการช ง, งักงันทั้งนั้นเพราะแต่และข้อเนี่ยพเจ้าก็รับสั่งว่าให้ตรวจสอบดูว่าไอ้ความครียดแรง ส, งสยัยงใส่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราหรือไม่แล้วสงสัยในเรื่องอะไรตงสัยอย่างไรทอไมจึงต้องสงสยัยแลวอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดความสงสยัยก็เฉพาสาเหตุจริงๆนั้นเกิด จ, จาก การไม่ได้ใช้ปัญญาเพ่งพินิษพิจารณาที่เรียกว่าขาดโยนิโสปนัสสิการจำนวนบาลีเช้าเขามาามีอโยนิโสปนัสิการคือไม่ได้ใช้ปัญญาคิดอย่างมีเหตุมีผลยังมีระบบมีกฎเกณฑ์ในการคิดแต่ก็เชื่อมโยงกับหลักการต่างๆในของพุทธเจ้าไอตัวอโยนิโสปนัสิการนั้นคือตัวอวิชานั่นเองแต่มันเป็นความมืดไม่ถึงกับมืดตึ้งๆคือมืดแบบขโมกขโม่ ก็พอเห็นอะไรอยู่บ้างเป็นเงาเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มไม่รู้รูปร่างอะไรมันชัดเจนไอความไม่แน่ใจเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้อาจจะมองตอไม้เป็นผีหรืออาจจะมองอะไรขึ้นมาเป็นเสือเป็นอะไรก็ได้เพราะบรรยากาศมันก็มัวๆไม่ถึงกับมืดแต่ก็ไม่ถึงกับสว่างก็ยังมองอะไรไม่ชัดอยู่นั่นเองเพราะ สิ่งเหล่านี้สับใดที่ยังไม่นามาคิดหรือสับใดที่ไม่น้อมใจเชื่อก็อจะมีปัญหาคือความเครื่อนแขลงสงสัยอย่างนั้นเพราะนท่านสาชนทั้งหลายจะต้องมองกลับไปที่พระริบุคคลซึ่งถือว่าเป็นธรรมะที่สําเร็จรูปแล้วจุดเริ่มต้นของความเป็นประโสูติบันนั้นในส่วนของโสตาปฏิยังฆะคือคุณสมบัติ อ ง, องค์กุณของพระโสะดา บ, บันหรือคุณสมบัติของพระโสะดา บ, บันนั้นมันก็มีอยู่4ประการคือเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นไม่หว่นไวในพระธรรมเชื่อมั่นไม่หว่นไหในพระสงฆ์เชื่อมั่นไม่หวันหวนนหว่นไหวใ น, นไตรสิกขาใครจะขู่ใครจะอ้อนวอนใครจะจ้างวางวานใครจะขอร้องให้ปฏิเสธก็ไม่ยอมแต่นีส่วนของการละกิเลส จะพบว่ากละสกายติจิความเห็นไม่ได้ถือตัวถือตนซึ่งเป็นโมหะเป็นกิเลสประเภทโมหะแล้วก็วิจิกิจชาคือความครืองแครงสงสัยซึ่งก็เป็นโมหะธีระปัตรปรามาสการถือบ้านโดยศีนว่าโดยข้อปฏิบัติโดยความเขอะความงงงายลักษณะต่างๆอยากบ้างกลางบ้างละเอียดบ้างซึ่งก็เป็นกิเลสประเภทโมหะเหมือนกันพระโสดาบันทันละในจุดที่ได้ ให้ลองสังเกตว่ากิเลส ท, ที่ควรละทันละได้ทันละได้ด้วยอะไรทันละได้ด้วยศรัทธาแต่ในจุด ท, ที่ศรัทธาเกิดเต็มเกิดมานี่เองปัญญาก็เกิดขึ้นเพราะเรามองมุมมาสดาบันจึงได้อีกมุมหนึ่งว่าในส่วนของปัญญานั้นท่านเรียกว่าทิฏฐิสัมปันโนคือสมบูรณ์ด้วยความเห็นเป็นความเห็นที่ถูกตรงตามหลักซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ เพื่อนรัฐสิทิชนทั้งหลายจะเห็นว่าธรรมะนั้นเกิดขึ้นสององค์คือศรัทธากับปัญญาการละกิเลสพวกนี้ที่จริงละด้วยศรัทธาก็ได้ละด้วยปัญญาก็ได้ต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป